เจ้าหญิงต้องมนต์สะกดกาลครั้งหนึ่งมีทาหารคนหนึ่งชื่ออคิลิสบอกลาสหายของเขาและออกเดินทางกลับบ้านหลังจากเดินทางมาหลายวันเขาไม่มีเงินเพื่อซื้ออาหารให้ตัวเองและหมาอีกทั้งบ้านของเขายังอยู่อีกไกลเขาหิวและเหนื่อยมากเมื่อเขามาถึงปราสาทที่ยิ่งใหญ่และงดงามเขาเข้ามายังปราสาท นำมาเข้าคอให้อาหารมันและเข้าไปในพระราชวังหนึ่งในห้องนั้นเต็มไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่หลายคนปรารถนาเขากินและดื่มดำอย่างสำราญทันใดนั้นมีหมีเข้ามาอออ่อุอุฮะอ้ไม่ต้องกลัวจริงๆข้าไม่ใช่หมีที่น่ากลัวเออ จากที่ข้าดูเจ้าน่าจะใช่นะใจเย็นก่อนข้าคือหญิงสาวที่งดงามเจ้าหญิงที่ต้องมนสะกดถ้าจะพูดให้ถูกและถ้าท่านผ่านที่นี่ไปหนึ่งคืนความรุ่มหลงก็จะถูกทําลายขคาข้าขอโทษอะแต่ข้าคิดว่าคงไม่ควรอยู่หนึ่งคืนต่อหน้ามีหรอกนะไม่เป็นไรเลิกข้าจะไม่ทําร้ายท่านเจ้าหมีพาอะคิลิสไปดูภาพวาดเจ้าหญิงที่งดงามนี่ ข้าเองเจ้าหญิงแพร์ริสท่านท่านงดงามขอบคุณและหากท่านอยู่ที่นี่หนึ่งคืนเพื่อช่วยข้าทาลายความลุ่มหลงข้าสัญญาว่าข้าจะแต่งเงินกับท่านเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งที่ท่านจะเป็นภรรยาข้าก็ได้ข้าจะอยู่คืนนี้ขอบคุณเนะอือเอ่ข้าชื่ออะคิลิสขอบคุณเนอะอคิลิสข้าจะรอพบเจ้าพรุ่งนี้เช้าอคิลิสพยักหน้า และเจ้าหมีก็จากไปหลังจากเหนื่อยล้าจากการเดินทางเขาก็หลับไปหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันต่อมาเจ้าหญิงก็เข้ามาเธอดูงดงามยิ่งกว่าในภาพวาดท่านช่วยข้าทำลายมอนสเน่อคิลิสขอบคุณท่านมากข้าจะดทำตามสัญญาข้าอยากให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับงานแต่งงานแต่งงานถูกจัดขึ้นและพวกเขาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขหลายวันผ่านไปไม่นานอาคิลิสคิดถึงบ้าน และต้องการจะกลับไปเยี่ยมดิปลอดอย่าไปท่านไม่มีความสุขที่นี่เหร อ, อ, อที่รักข้าอยากพบหน้าท่านพอ่อท่านแมน่แต่ไม่ต้องห่วงนะข้าจะรีบกลับมางั้นก็ได้ถ้าท่านต้องไปนำถุงเมล็ดพันธุ์ไปด้วยนะไม่ว่าท่านจะไปที่ใดโยนเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ลงตามทางมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ ออกผลเป็นผลไม้หายากและมีพวกนกจะมาร้องเพลงท่านช่างวิเศษมากจริงๆข้าขอบคุณมากที่ได้แต่งงานกับท่านข้าก็ดีใจมากที่ได้พบกับท่านอาคิลิสจุมพิษมือเธอและจากมาไม่กี่วันทุกๆ ท, ที่ที่อาคิลิสผ่านเขายกเมล็ดพันธุ์เวทมนต์และราวกับต้นกุหลาบกำลังเติบโตขึ้นบนโลกวันหนึ่งในทุ่งหญ้า เขาเห็นชายกลุ่มหนึ่งนั่งบนทุ่งหญ้าและกำลังเล่นไพ่ใกล้ๆนั้นมีกาต้มน้ำแขวนอยู่และซุปในนั้นกำลังเดือดอยู่ถึงแม้ไม่มีไฟว่าไงพวกท่านมีสิ่งมหัศจรรย์มากกาต้มน้ำเดือดโดยไม่มีไฟมันเยี่ยมมากนะแต่ข้ามีสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่านะเขาโยนมเมล็ดพันหนึ่งเมล็ดลงบนพื้น ในไม่ช้าต้นไม้ก็โตขึ้นมีผลไม้หายากและนกร้องเพลงบนนั้นเขาได้มเมล็ดพวกนั้นมาจากไหนมีเพียงเจ้าหญิงที่ตองมนสะกดกที่มีมเมล็ดเหล่านั้นข้าคิดว่าเขาต้องเป็นชายที่จอยเธอจากมอนเสนห์หาที่เราร้อยใสเธอแน่เขาต้องจดชายถอยแล้วทาไมเขานอนหลับครึ่งไปเลย อคิลิสไม่รู้ว่าชายเหล่านี้เป็นคนร่ายมนสเสนหาใส่เจ้าหญิงพวกเขาร่ายมนใส่เขาและอคิลิสก็ลุกลงจากม้าและหลับไปไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหญิงแพริสได้รับแจ้งจากทหารว่าต้นไม้ทั้งหมดของเธอเหี่ยวแห้งและตายอ้อแย่แล้วต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับสามีของข้า เธอตัดสินใจออกตามหาเขาเธอออกเดินทางตามเส้นทางขององคิลิสและเมื่อเธอมาถึงทุ่งหญ้าเธอพบต้นไม้วิเศษและข้างาเป็นสามีของเธอเธอเขย่าตัวเขาเรียกชื่อของเขาและถึงกับบีบเขาแต่เขาก็ไม่ขยับเจ้าหญิงแพริสโกรธแค้นอย่างมากและความโกรธของเธอได้สาบแช่งเขาท่านขี้เศร้า ถ้าหวังว่าพายุจะพัดพาท่านไปให้ไกลไปไกลในประเทศที่ไม่รู้จักเลยเมื่อสิ้นคำพูดของเธอพายุได้เกิดขึ้นและพัดพาทาหารขึ้นไปให้ห่างจากสายตาของเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้สึกผิดที่กล่าวเช่นนั้นแต่มันก็สายเกินไปแล้วเอาไม่นะด้าทํทำอะไรนองภายเนี่ย ในขณะเดียวกันอคิลิสก็ถูกลมพัดมายังเกาะที่ไม่รู้จักเมื่อเขาลืมตาขึ้นหลังจากครึ่งปีผ่านไปเขาตื่นขึ้นและมองไปรอบๆนี่ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยใครพาข้ามาขณะที่เขาเดินไปตามชายหาดเขามองเห็นชายสามคนกำลังทะเลาะกันพวกเขา เป็นลูกชายของจอมเวทอันตรายมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าต่อสู้กันเพื่ออะไรเนะ่ะเออท่านพ่อของพวกเราตายและทิ้งของมัศจรรย์ไว้สามสิ่งพรมที่ลอยได้บูธเจ้าพันธมิตรและหมวกล่องหนแต่พวกเราเลือกไม่ได้ว่าใครจะเลือกสิ่งใดโอ้จอมเวทน้อยหยุดทะเลาะ ก, กันได้แล้วถ้าเจ้าต้องการข้าจะตัดสินใจให้เอกว่า ใครเหมาะสมกับสิ่งได้เพื่อทุกคนจะได้สบายใจจอมเวทตกลงเอาละเห็นต้นมะพร้าวนั่นไหมมีต้นหนึ่งใบแต่กับพื้นใช่ไหมอืมใช่ใช่ช่วยทิ้งสิ่งของมหาสจจาร์ไว้กับค่าที่นี่แล้ววิ่งแข่งกันไปรยังต้นมะพร้าวและกลับมาใครกลับมาคนแรกจะได้เลียกของจากสามสิ่งคนที่สอง ก็จะได้เลือกจากสองสิ่งที่เหลือและคนสุดท้ายก็จะได้ของที่เหลือในมิชาจอมเวททั้งสามก็วิ่งไปที่ต้นไม้อาคิลิสยิ้มและหยิบรองเท้าเจ็พันธมิตรมวกล่องหนนั่งลงบนพรมลอยได้และออกเดินทางกลับอาณาจักรของเข า, เขาไม่นานเขาก็มาถึงกระท่อมและพบว่ามีหญิงชาราอยู่ ออสวัสดีคุณยายข้าหิวมากเลยท่านช่วยการุณามอบอะไรให้ข้ากินด้วยเถอะได้สิหลานชายนั่งลงก่อนนะอาคิลิสนั่งลงและหญิงชราขยับมือเธอบนอากาศในมิชา้าโต๊ะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยก็ปรากฏว่าท่านเออท่านเป็นนางฟ้าข้าเป็นหลายๆอย่างตอนนี้เลิกพูดแล้วก็กินอาหารก่อนเถอะ อาคคลิสกินอาหารอย่างสำราญเมื่อเขาอิ่มโตเวทมนต์ก็หายไปขอบคุณท่านมากสำหรับอาหารจะ ก, การุณามากถ่าเออท่านได้โปรดช่วยข้าอีกอย่างหนึง่งอาคีลิสเล่าทุกอย่างให้นางฟ้าชราฟังและเพราะอย่างงา น, นข้าถึงมาอยู่นี่พยายามหาทางเพื่อพบภรรยาที่รักของข้าแพริสได้โปรดบอกข้าด้วยว่าจะหาเธอได้ยงไง ข้าไม่เข้าใจคนหนุ่มจริงๆพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อความรักได้โปรดเธอข้ารักนางมันไม่ใช่เรื่องของข้าได้โปรดได้โปรดได้โปรดเธอเ อ, อก็ได้ก็ได้ข้าจะเรียกลมและลองถามเขาดูเขาพัดไปทุกที่ทั่วโลกเขาต้องรู้ว่าเธอน่ะอยู่ที่ไหน เธอเดินออกมาที่ด้านนอกและส่งเสียงร้องโอ้สายลมมาหาข้าทีทันใดนั้นลมจากทุกทิศทางโหมกระนำเข้ามาจนกระทบสั้นสะเทือนโอ้ใจเย็นสายลมที่หมกระนำบอกข้าถ้าเจ้าเห็นเจ้าหญิงแพริสที่งดงามอยู่ที่ใดใช่แล้วคุณยาย เจ้าหญิงแพริสที่งดงามอยู่ในอาณาจักรแห่งใหม่สามีของเธอหายไปเพราะความโกรธเคืองเธอสาบเขาเพราะไม่รู้ว่าเขาตกอยู่ภายใต้เวทมนต์ของจอมเวทชั่วร้ายเธอยังรอคอยเขาอยู่เสมอแต่ตอนนี้พระราชาและเจ้าชายจากอาณาจักรต่างๆมาพบเธอเพื่อขอแต่งงานทุกวันแล้ว ไกลแค่ไหนที่จะไปอาณาจักรนั้นมันต้องใช้เวลาสามสิบปีที่จะเดินไปสิบปีถ้าบินด้วยปีและถ้าให้ข้าพาไปก็แค่สามชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ที่อวจริงๆเลยว่าอย่างไงนะได้โปรดสายลมที่ยิ่งใหญ่ช่วยพาข้าไปพบเจ้าหญิงด้วยเถอะก่อนอื่นใจเย็นก่อน และข้าจะพาท่านไปหากท่านอนุญาตให้ข้าอยู่ในอาณาจักรของท่านสามวันสามคืนแล้วแต่ท่านเลยท่านจะอยู่สามอาทิตย์ก็ได้หากต้องการถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางแต่ไม่ต้องกลัวข้าจะไม่ทำร้ายท่าน อ, อ, อ, อ, อ, อขี้อวดว่าไงนะออไม่มีอะไรเปล่า นะท่านใด น, นั้นสายลมก็ส่งเสียงและพัดอคิลิสขึ้นไปบนอากาศข้ามภูเขาและน้ำทะเลภายใต้ก้อนเมฆเพียงสามชั่วโมงเขาได้มาอยู่ในอาณาจรรักรที่เจ้าหญิงผู้งดงามอาศัยอยู่ลาก่อนพ่อนหนุ่มข้าสงสารท่านและไม่ต้องการอยู่ในอาณาจรรักรของท่าน แล้วนี่มันอะไรกันเพราะถ้าหาข้าเคลื่อนที่จะไม่เหลือบ้านใดๆในเมืองไม่มีต้นไม้และสวนข้าจะทำลายทุกอย่างเพราะข้าคือสายลมที่ยิ่งใหญ่ฉังโอ้วนนะว่ายังไงนะาลาก่อนนะท่านลมที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือข้า อาเลิสสวมหมวกล่องหนุนและเขาเข้ามายัางพระราชวังเขาเข้าไปในห้องที่ใหญ่รอบๆโต๊ะมีพระราชาและเจ้าชายมากมายนั่งเฝ้าเจ้าหญิงแพรริสเมื่อหนึ่งในนั้นเสนอแก้วเพชรให้แก่เธออาเคลิสทาแก้วตกจนแตกทุกคนตั้งตกใจทันใดนั้นถุงเมล็ดพันธุ์ที่เธอมอบให้เขา ก็ตกลงมาจากกระเป๋าเจ้าหญิงแพริสจำได้ทันทีเขาอยู่ที่นี่ท่างหน่ายินดีเธอมอบปริศนาให้กับแคกของเธอเอาเละนะท่านสุภาพบุรุษใขรปริศนาให้กับข้าทีถ้ามีหีบที่หมหัศจรรย์พร้อมกับกุญแจสีทองข้าทำกุญแจนั้นหายและไม่เคยคาดหวังว่าจะได้พบมันอีกและทันใดนั้นกุญแจก็ถูกพบด้วยตัวเอง ท่านผู้ใดที่สามารถแก้ไขปริศนาได้จะเป็นสามีของข้าพระราชาและเจ้าชายต่างพยายามเดาคำตอบแต่มันก็ไร้ประโยชน์ที่รักถ้าท่านอยู่ที่นี่แสดงตัวออกมาเอะนะอารคิลิสถอดหมวกล่องหนออกหยิบมือเจ้าหญิงขึ้นและจุ่มพิดนี่คือกุญแจสู่ปริศนาของข้าหีบคือตัวข้าและกุญแจสีทอง ก็คือสามีที่ซื่อสัตย์ของข้าใครจะรู้คําตอบพระราชาและเจ้าชายทั้งหมดต่างคิ้วขมวดและเดินออกไปอย่างเศร้าใจเจ้าหญิงแพริสและอคิลิสสวมกอดกันข้าขอโทษด้วยที่รักข้าจะระ ง, งับความโกรธให้ดีกว่านี้และเ อ, อไม่เป็นไรสายลมบอกข้าทุกอย่างแล้วข้าไม่โกรธแต่ดีใจมากที่หาทางกลับมาพบท่านได้ขอบคุณมากที่รักข้าสัญญา ว่าข้าจะไม่อารมณ์เสียอีกตราบใดที่ท่านไม่ส่งข้าไปที่เกาะที่ห่างไกลอีกที่รัก <S <S <S ทั้งสองอยู่ด้วยกันยังมีความสุขเจ้าหญิงแพริสให้ทหารไปพาพ่อแม่ของไอคิลิสมาอยู่ด้วยกันในปราสาทอคิลิสมีความสุขมากและรักเจ้าหญิงมากขึ้นเรื่อย เจ้าหญิงแปริสไม่เคยอารมณ์เสียอีกเลยและสำหรับอคิลิสเขาได้เรียนเวทมนต์เล็กน้อยจากภรรยาของเขาและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้มัน